ทีประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าสหัสพรมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากสหัสพรมน้อมจิตแผ่ไปตลอดพันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสหัสพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลละหุงผลหนึ่งไว้ในมือแล้วพิจารณาดูแม้ฉันใดสหสพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่ไปตลอดพันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสหสพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสหสพรม เธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสหสพรมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสหสพรมนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าทวิสหัสพรมและถึงติสหัสพรมจตุสหัสพรมหรือปัญจะสหสพรมมีอายุยืนมีผิวพันผ่องใสมีความสุขมากปัญจะสหสพรมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอด5 0 0พันโล ก, กาธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นปัญจสหสพรมนั้น ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลละหุงห้าผลไว้ในมือแล้วพิจารณาดูแม้ฉันใดปัญจะสหสพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่ไปตลอดห0 0พันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นปัญจะสหสพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้ว เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับปัญจสหสพรมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นปัญจสหสพรมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นปัญจสหสพรมนั้น การหนึ่งพิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าทัศ ส, สหสพรมมีอายุยืนมีผิวพันผ่องใสมีความสุขมากทัศ ส, ะสะหสพรมน้อมจิตแผลไปตลอดหมื่นโลกธาตุแม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นทัศ ส, ะสะหสพรมนั้นก็น้อมจิตแผลไปอยู่ เปรียบเหมือนแก้วไัยทูลแปดเหลี่ยมงามโชติช่วงอันเขาจิรนยดีแล้ววางไว้แล้วบนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรธแม้ชั้นใดทศสะสหัสพรมก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นทศสะสหสพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า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 เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นทัศ ส, สหสพรมนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าสะตะสหสพรมมีอายุยืนมีผิวพันผ่องใสมีความสุขเป็นกําลังสตตะสหสพรมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแสนโล ก, กาธาตุอยู่ แม่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสตะสหสพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุษที่เขาหลอมด้วยความชํานาญดีในเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดแล้ววางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่งแสงเรืองไพโรธแม้ฉันใดสตะสหสพรมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแสนโลกาธาตุอยู่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 เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสตะสหสพรมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสตะสหสพรมนั้นอีประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นอาภาละถึงเทพชั้นปริตาภาเทพชั้นอปมานาภาหรือเทพชั้นอภัษรามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกําลังภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า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 เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในพรมชั้นอภัสรานั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัท ธ, ธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นสุภาละถึงเทพชั้นปริตตสุภาเทพชั้นอัปมานสุภาหรือเทพชั้นสุภกินหา มีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสละถึงภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นสุภกินหานั้นอีประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัท ธ, ธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นเวหพลาละถึงเทพชั้นอวิหาเทพชั้นอตาปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทสัสสีหรือเทพชั้นอากณิฐามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลัง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 มักนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นอกนิฐานั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิและถึงภิกษุทั้งหลาย มรกนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมินั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมาก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 ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิเทผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญาญตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอหลังจากตายแล้ว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 ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเพราะอาสวะสิ้นไปเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอาสวะสิ้นไปภิกษุนั้นจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในภพไหนไหนอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสังขารูปติสูตรที่สิบจบอนุปทวร t ์ที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อนุปทัสูตร 2. ชวิสโสธนะสูตร 3. สั ป, ปุริสสูตร 4. เสวิตตพาเสวิตตพสูตร 5. พระหุทาตุกสูตร 6. อิสิคิลิสูตร 7. มหาจัตตารีสกะสูตร 8. อาณาปานสติสูตรเก้ากายคตาสติสูตรสิบสังขารูปติสูตรเกิดขึ้นในวันเพนสองวันเพนคราวที่ดวงจันทร์บริสุทธิ์ปราศจากมนทินพระผู้มีพระภาคทรงปรารพเป็นธรรมอันมิใช่กิจของพระองค์รวมกันขึ้นเป็นวักอันสำคัญชื่อว่าอนุปัฏฐวักที่สอง มีพระธรรมเทศนาอันประเสริฐที่ชนเป็นอันมากเสพแล้ว 3. ส, สุญญตวักหมวดว่าด้วยสุญญาตาหนึ่งจูละสุญญตสูตรว่าด้วย สุญญาตาสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของเจ้าสากยะชื่อนครั ก, กะแคว้นสักกะณที่นั้นข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์ปัจจุบันนี้เราอยู่ด้วยสุญญาวิหารธรรมโดยมากข้อนี้ข้าพระองค์ได้สดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้วหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกต้องอานนนข้อนั้นเธอสดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วทั้งเมื่อก่อนได้บัดนี้เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมากเปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมาตาหลังนี้ว่างจากช้างโคมา้าและลา ว่างจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่านั้นแม้ฉันใดภิกษุข้อันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจความสำคัญว่าบ้านไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะความสำคัญว่าป่าจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่มใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสาคัญว่าป่า ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าป่านี้ไม่มีความกรว์กระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าบ้านไม่มีความกรว์กระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์มีอยู่เพียงความกรว์กระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าบ้านรู้ชัดว่า ความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าป่าเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานน การก้าวเข้าสู่สุญญาตาความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้อีก mm hmm. ประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่า ใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศจากรอยยน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจถึงความลุ่มลุ่มดอนดอนแห่งแผ่นดินนี้ซึ่งมีแม่น้าลาทาน เต็มไปด้วยตอน้นามมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่าเสมอทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสําคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเริ่มใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสําคัญว่าแผ่นดินภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสําคัญว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสาคัญว่ามนุษย์ ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่ามีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้น ด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานน์การก้าวเข้าสู่สุญญาตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้ ประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสําคัญว่าป่าไม่ใส่ใจความสําคัญว่าแผ่นดินใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสําคัญว่าอากาสานัญจายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสําคัญว่าอากาสานัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสําคัญว่าอากาสานัญจายตนะนี้ ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นรู้ชัดว่า ไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอาการสาญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนนการก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้ อีประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาสานัญจาตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจาตนะเท่านั้น จิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสําคัญว่าวิญญาณัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสําคัญว่าวิญญาณัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสําคัญว่าแผ่นดินไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสําคัญว่าอากาษานัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสําคัญว่า วิญญาณัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาศสานัญจายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้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 อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสําคัญว่าอากาสานัญจายตนะไม่ใส่ใจความสําคัญว่าวิญญาณัญจายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสําคัญว่าอากินจัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสําคัญว่าอากินจัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า ในความสำคัญว ah ja ่าอากินจ so mm ัญญายตนะนี้ไม่มีความกรนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจาตนะไม่มีความกรนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญญาตนะมีอยู่เพียงความกรนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสาคัญว่าอากาสานัญญาตนะ รู้ชัดว่าความสาคัญนี้ว่างจากความสาคัญว่าวิญญาณัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสาคัญว่าอาคินจัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสาคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสาคัญนั้นที่ยังมีอยู่ว่ามีอยู่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 ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ ไม่มีความกรวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่มีความกรวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอาคินัญญายตนะมีอยู่เพียงความกรวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่า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 ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญาญาตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเจโตสมาธินี้ไม่มีความโกรนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะ ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวัสัญญานาสัญญาญาตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอิยตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอยตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเหตุมีชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่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 แต่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อภิกษุนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบภิรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยกามาสวะในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยภาวาสวะในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยอวิชชาสวะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะหก ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญ น, นี้ว่างจากกามสุวะรู้ชัดว่าความสำคัญ น, นี้ว่างจากภวาสวะรู้ชัดว่าความสำคัญ น, นี้ว่างจากอวิชชาสวะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกาย น, นี้เท่านั้น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 ในอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้เข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่ในอนาคตสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็จะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่ ในปัจจุบันสมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเข้าถึงสุญญาตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราม์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่อานน์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้ว ท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละสุญยตะสูตรที่หนึ่งจบ มหาสุญญะสูตรว่าด้วยสุญญ า, าสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตกรุงกระบิลพั์แควนศักกะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินธบาทยังกรุงกระบิลพั์ ทรงเที่ยวบินทบาตในกรุงกบิลพัทแล้วเสด็จกลับจากบินธบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะเพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวันสมัยนั้นในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะมีเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมาก พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากแล้วมีพระดำริอย่างนี้ว่าในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากในที่นี้มีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือหนอสมัยนั้นท่านพระอานนนกับภิกษุจำนวนมากกำลังตัดเย็บจีวร อ, อยู่ในวิหารของเจ้าคตายะสากยะ ครันเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนแล้วเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากตายะสกยะประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากที่นั่นมีภิกษุอยู่จํานวนมากหรือ ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะนั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากสมัยที่เป็นจีวรการของข้าพระองค์ทั้งหลายก็กําลังดำเนินไปอยู่พระพุทธเจ้าค่าอานนท์ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมูคณะประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งความคลุกคลีด้วยหมูคณะ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 ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลี่ออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังเนคขมะสุปวิเวกสุอุปะสะมะสุขสัมโพธิสุขจากเป็นผู้ได้สุขนั้นตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจากบรรลุเจโตวิมุตซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตระมักซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบได้เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลําพังผู้เดียวพึงหวังบรรลุเจโตวิมุตซึ่งเกิดขึ้นตามสมัย อันน่ายินดีหรือโลกุตระมักซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบอานน์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างเดียวซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจและอุปายากความคับแค้นใจเพราะรูปตามที่บุคคลกำหนดยินดีกันแล้ว แปรพันธ์และเป็นอย่างอื่นเลยอานน์ก็วิหารธรรมนี้แลที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคตเข้าสุญญาตาในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตของพระราชาเดรทีสาวกเดรทีเข้ามาหาตถาคตผู้มีโชค อยู่ด้วยวิหรารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตโน้มไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในเนคข ม, มะเป็นผู้สิ้นสุดจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนั้นโดยแท้อาน o ์เพราะเหตุนั้น ถ้าภิกษุแม้หวังว่าเราพึงเข้าสุญญาตาในภายในอยู่ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่น